นับูตัสสะภะควะโตอะรหะโตสัมมาสัมบุตตัสสะนับูตัสสะภะควโตอะรหะโตสัมมาสัมบุตตัสสะอนัปพิชารุวิหเรยะอภัาปันเดนะเจตาโส ตีนะลำดับต่อแต่นี้จกได้ขวังธรรมะหลังจากการนั่งภาวนานั่งเรียบร้อยก่อนจะบรรยายเรื่องอื่นก็ขอ ก, กล่าวว่าสวัสดีปีใหม่เป็นปีใหม่ที่ชา้าไปนิด เวลามีปีใหม่เราก็มีการเฉลิมฉลองกันเยอะแต่เดี๋ยวนี้ปีนี้ดีมีการรณรงค์เรื่องการสวดบนข้ามปีบางคนหลังจากสวดบนข้ามปีแล้วก็ไม่ได้นอนเลยก็มีเรื่องของปีใหม่ปีเก่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวลา อันที่จริงมันเป็นเรื่องราวในชีวิตของเราถ้าเราจะดูว่าเราควรจะตั้งใจของเราอย่างไรถ้าเอาตามที่พระพุทธเจ้านะเมื่อคราวที่ประกาศป r ง l n อายุสังขารเรียกว่าประกาศว่าอีกสามเดือนจะผพานคืออีกสามเดือนจะ ถ้าพูดภาษาบ้านเราอีกสามเดือนจะตายเวลาตัวนั้นก็จะเหลืออยู่ประมาณสามเดือนเสร็จถ้าเห็นว่าพระพุทธเจ้าใช้เวลาในช่วงนั้นอย่างไรนั่นนะ่ะที่เราควรจะนามาพิจารณามันไม่ใช่การเฉลิมฉลองอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหลังจากที่ประกาศว่าอีกสามเดือนคือเก้าสิบวันจะไม่มีพระพุทธเจ้าคือจะต้องป ร, รินิพพานแล้ว ตลอดเวลาที่เสด็จก็จะจัดย้ำอยู่ในเรื่องของความไม่ประมาท <c oughs> เช่นว่าปริประโกโวโยไมยหังปริตังชีวิตังมะมะวะปิทุตั้งหลายเราแก่หอมแล้วคือพระส่วนใหญ่ท่านก็อยากจะให้อยู่ต่อร้องไห้มั่งที่เป็นปูุ้ชนที่เป็นคนเป็นอริยะก็จะลงสังเวท แต่ว่าอยากจะขอว่าเออให้อยู่ต่ออีกหน่อยอยู่ต่ออีกหน่อยแต่พระองค์ก็ยังตรัสอยู่เรื่ยๆย้ำเล่นถึง เ, งเรื่องการใช้เวลาเพื่อให้ไม่ประมาทคันโนโวมาอุปัจจขาว่าอย่าปล่อยให้ขณะล่วงพวกท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าเลยการใช้ชีวิตอยู่กับความหลงอยู่กับความเพลิน อยู่ในอำนาจของความปรุงแต่งอยู่ในสมมุติที่ไร้สาระนั่นแหละเรียกว่าการใช้ชีวิตใช้เวลาไปอย่างไร้สาระว่าปริปรโกูวโยไม่หังพิทูทั้งหลายเราแก่หอมแล้วปริตตังชีวิตตังมะมะชีวิตของเราเหลือน้อยแล้วปหายะโวคมามิสซามิเรากําลังจะจากพวกเธอไปแล้วเจ้าจัน กตังเบสรณะตังมัดูหมายความว่าแต่ที่พึ่งของตนสําหรับเราทําเสร็จแล้วท่าเจ้าอถึงบอกให้ยืนว่ามันเวลาสําหรับของพระองค์นะ่ะจะไปตอนไหนก็ได้เพราะอะไรเพราะกะตังเบสรณมัตโตเพราะที่พึ่งสําหรับตนพระองค์ทํำจบแล้วพระองค์ทํำจบแล้ว ก็ยังเหลือแต่เราท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะนั้นในเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของการใช้เวลาและหลังจากนั้นก็จัดไปเรื่อยๆนะทหาราปิทหาราปิเยวุธาเยบาลาเยจะบันดิตาเยวุธาธ <c oughs> อ อัปปาราปิอัธฐาอัฏ า, เ, า เ, เจวะทัลิตาจาัตสภะมัจจุปะรยนาเนี่ยก็ะตัดระหว่างที่เดินทางกลับหลังจากประกาศว่าอีกสาเดือนนั้นเนี่ยจะทิ้งชุดชีวิตแล้ววากีิกษุทั้งหลายท้าราชัเด็กก็ดี พุทธาจะแก่ก็ดีเยบาลาเยจบันดิตางโง่ก็ดีฉลาดก็ดีอัธาจะดาริธาจะรวยก็ดีจนก็ดีสบเบมัตจุปรายนาล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้ามันรวมใครรวมพวกเราด้วยเลยพวกเราที่นั่งกันอยู่เนี่ยอะไรอยู่เบื้องหน้า ความตายความตายที่มันอยู่เบื้องหน้านี่กล้าพูดว่าความตายอยู่เบื้องหน้าเพราะมันเป็นนิเป็นนิยตธรรมเป็นกฎธรรมชาติที่แน่นอนแต่อย่างอื่นไม่แน่ใช่ไหมอ้อย่างอื่นไม่แน่แต่ความตายนี่อยู่เบื้องหน้านี่แน่นอนเพราะนั้นระยะการเดินทางชีวิตเราที่นั่งกันอยู่เนี่ย ที่ยังหายใจออกหายใจเข้าแล้วยังไม่ตายรู้สึกตัวยังไม่ตายก็รู้ไว้ว่าเส้นทางที่เราเดินอยู่เนี่ยมันเหมือนเดินอยู่บนเส้นได้ที่มีเป้าหมายอยู่ก็คือความตายและไอตัวความตายเนี่ยมันมันเป็นนิยตะคือมันแน่นอนเกิดขึ้นกับเราแน่และอยู่เบื้องหน้าของเราในการเวลาที่เคลื่อนคล้อยชีวิตของเราก็มอดม้อยก้าไปมอดม้อยก้าไปเพลินเวลาปีเก่าผ่านไป เรียกว่าการเวลาที่เคลื่อนล้อยใช่ไหมชีวิตของเรามันเป็นไงมันก็มอดม้อยมันก็หมดห ม, ม้ม อ, ดมอยไปหมดหม้อยไ ป, ไปเรื่อยเรืยยิ่งเวลามันผ่านไปเท่าไหร่ชีวิตเราก็มอดม้อยไปนึกถึงแสงแตะเกียงแสงเทียนที่มันมอดม้อยลงไปริบดีลงไปริบดีลงไปงั้นงั้นพราะผมจัดอย่างนั้นอ่ออะอปมัตตา <c oughs> ต่ตอี อปมัตตาสติมันโตสุสีลาโหทาภิกขโวะว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีสติและรักษาศีลของตนอันให้ดีเถอะสามอย่างเนี้ยไม่ประมาทให้มีสติและก็ตั้งใจรักษาศีลของตนให้ดี คาศีนของตนมันก็คือว่าถ้าเป็นคารวาตคารืหัดศีนของตนก็เป็นศีลห้าศีลแปดสามะเดนก็ศีลสิบพระก็ศีลสองร้อยยี่สิบสิทธิศีลท่านเรียกว่าสุศีลาสุศีลาหมายความว่าให้รักษาศีลของตนศีลอันเป็นของตนศีลอันใดที่เป็นของตนรักษาศีลอันนั้นให้ดีและอย่าประมาทอยู่กับสติ ในห่วงเวลาอันน้อยนิดที่เราจกำลังจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยซึ่งมีความตายเป็นเบื้องหน้าเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้เวลาที่เหลืออยู่ในระยะเวลาเก้าสิบวันที่ท่านประกาศตรัสแต่เรื่องราวเหล่านี้ย้ำตลอดเลยแลวบอกว่าทำอันเป็นฝักอยเพื่อความรู้ยิ่ง นี่สําหรับนักปฏิบัติทั้งหลายทําอันเป็นไปฝักอันทำมันเป็นฝักฝ่ายเพื่อความรู้ยิ่งเราได้กล่าวไว้ดีแล้วตั้งต้นแต่สติปฐานสีสำมัปปธานสีสมมนสอิทธิบาทสีอินสีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดมรหมีมยงแปดนี่เรียกว่าทําอันเป็นไปในฝักฝ่ายของเพื่อความรู้ยิ่ง ทีนี้เราเส้นทางของเรามีอยู่สองสายสำหรับที่จะเดินทางสายหนึ่งถ้าเดินเข้าไปแล้วมันก็จะไปจนอยู่กับความทุกข์อันนี้แล้วแต่เราแต่ทางอีกสายหนึ่งเมื่อเดินแล้วมันจะไปสุดอยู่ที่ความพ้นทุกข์ยิ่งขึ้นอยู่กับเรา ถ้าเราจะเดินอยู่ในเส้นทางที่มันพ้นทุกข์เส้นทางนี้มันจะต้องตั้งต้นให้ถูกถ้าตราบใดที่เราประคับประคองรูปนามของเรานี้ให้อยู่ในเส้นทางนี้มันก็จะมีองคุณสมบัติที่บอกว่าเรายังอยู่ในเส้นทางนี้หรือไม่เอาตั้งต้นที่ไหน ถ้าความพ้นทุกข์เป็นกรอบสี่เหลี่ยมพระพุทธเจ้าให้เริ่มต้นความพ้นทุกข์นี้ที่ไหนทางเข้าไปเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าจะผู้ใหญ่ไม่ว่าจะรวยจะจนจะหนุ่มจะสาวจะหญิงหรือจะชายจะนักบวชหรือจะคารหา่าครวาคารวาัตทางเข้าเริ่มต้นที่ ถ้าเปรียบเหมือนสี่เหลี่ยมแห่งความพ้นทุกเนี่ยสี่เหลี่ยมมีสีด้านใช่ไหมเออด้านหนึ่งเรียกว่ากายานุปัสสนาด้านหนึ่งเรียกว่าเวทนานุปัสสนาด้านหนึ่งเรียกว่าจิตตานุปัสสนาด้านหนึ่งเรียกว่าธรมานุปัสสนาเข้าทางประตูไหนก็ได้เมื่อเข้าไปแล้วก็อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนั้นหมดเออข้าทางประตูไหนก็ได้เข้าไปเอะ แต่จะต้องตั้งต้นที่สติปัฏฐานสี่แต่เริ่มต้นแล้วไม่เข้าข้างของสติปัฏฐานเรียกว่าไม่ได้อยู่ในเส้นทางของการเป็นไปฝักฝ่ายของการรู้ยิ่งนี่เส้นทางของความพ้นทุกข์และในเส้นทางนี้เมื่อเรายือนอยู่ในสติปัฏฐานตั้งอยู่ในสติปัฏฐาน ความพยายามที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมันเป็นความพยายามที่เป็นส ม, มประทานในขณะที่เรายืนอยู่ในสติปัฏฐานความพยายามของเราที่เป็นอยู่นั้นมันเป็นอยู่ในส ม, มประทานจะเป็นชื่อศักดิ์ที่ทับลงไปหลายคนฟคังแล้วเข้าใจหลังคนฟังก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเดี๋ยวก็จะลำดับให้ฟังความพยายามที่เป็นส ม, มประทานเนี่ยมันก็จะเกิดความ มุ่งมั่นตั้งใจพอใจยินดีฝักใฝ่ในการที่ทำความเพียรอย่างนั้นในที่ตติปฐานนั่นเรียกว่าอิทธิบาทอิทธิบาทอันเป็นไปในฝักใฝ่เพื่อความรู้ยิ่งมันจะต้องเป็นอิทธิบาทที่ตั้งขึ้นอยู่กับสมประฐานนมันเป็นลำดับมา้งเนี้ย ความพอใจความฝักใยของเราถ้าไม่อยู่ในสติปัฏฐานมันจะหลุดออกไปหาอะไรไปเส้นทางโน้นเน่ยเราจะนั่งสมาธิเราจะเดินจงกรมแต่ความพอใจฝักใยของเราไม่ได้เริ่มต้นที่สติปัฏฐานเราก็จะหลุดไปอยู่อีกสายหนึ่งเส้สายนี้หลุดง่ายด้วยเพราะเป็นสาย เป็นสายธรรมชาติที่เหมือนน้ำที่ย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำเหมือนปลาที่ชอบอยู่ในน้ำเหมือนออมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเพราะเราถูกรัดรึงด้วยจางที่เคยพูดได้ฟังด้วยเครื่องผูกอยู่สี่ตัวพุทธเจ้าเรียก ว, ว่า กามโยเคนะสั่งยุตตาภวะโยเคนะจูพยังทิฏฐิโยเคสมุหะจาัอวิชา ย, ยะปุรักตาเครื่องผูกสี่เครื่องผูกนี้เวลาผูกมันผูกยังไงเวลามันผูกใจเราที่ถูกผูกอยู่เนี่ยมันผูกด้วย <c oughs> ราคะนันทิสิเดหะ มุจจาปิปาศัพแตละศัพท์ที่พูดนี่นะนคือการปลูกหน้ากวงนั่นเลยปิปาศะปริลาหะอาเจสนะแลตันหาเครื่องปลูกทั้งหมดสี่ตัวเนี่ยคือกามพบทิฏฐิอวิชา เครื่องผูกคือการที่ชื่อว่ากามมโยคะนั้นผูกแบบไหนก็ไอธรรมชาติใจเราที่ที่มันผูกอยู่กับสิ่งที่ชอบเราพิจารณาด้วยไม่ว่าใครจะเก่งแค่ไหนรวยแค่ไหนดีแค่ไหนสุดท้ายมันก็อย่างเงี้ยมันใจใจของเรามันจะผูกอยู่กับสิ่งที่ชอบอาการผูกคือการแบบไหนเรียกว่า กามราโคอาการที่จิตของเรามันคลายเข้าไปหาในสิ่งที่ชอบกามนันทิอาการที่จิตของเรามันเพลินอยู่กับสิ่งที่ชอบกามสีเดหะอาการที่จิตของเรามีความเยื่อใยกับสิ่งที่ชอบกามมุจชะอาการที่จิตของเรามันหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ชอบ กามะปิปาสาอาการที่จิตของเรามันกระหายต่อสิ่งที่ชอบกามปริราหะอาการที่จิตของเรามันวิ่นรนเล่าร้อนหาสิ่งที่ชอบกามอัจเชสนะอาการที่จิตของเรามันยังลงฝักฟักตัวหมกตัวอยู่กับสิ่งที่ชอบและกามตหาอาการที่จิตของเรา มันทยานเข้าไปหาสิ่งที่ชอบเนี่ยอันนี้เรียกว่าผูกท่านลองคิดดูแค่ตัวเดียวแค่กามโยคะเครื่องผูกอันเดียวนะแล้วอีกผูกผูกที่สองเรียกว่ากามอ่าภาวะโยคะเครื่องผูกคือพบพบคืออะไรพบคือความมีความเป็นอาการที่จิตของเรา ใคร่เข้าไปหาสิ่งที่มีที่เป็นอาการที่จิตของเรามีความเยื่อใยต่อสิ่งที่มีที่เป็นอาการที่จิตของเรามีความหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่มีที่เป็นอาการของเราอาการที่จิตของเรากระหายกับสิ่งที่มีที่เป็นอาการที่จิตของเราเล่าร้อนกับสิ่งที่มีที่เป็นอาการที่จิตของเรายังลงกับสิ่งที่มีที่เป็นอาการที่จิตของเรา ทะยานเข้าไปหากับสิ่งที่เป็นนี่คืออาการผูกที่ชื่อว่าภาวะโยคะเนีย่ยสองตัวแค่สองตัวนี้ยมคิดดูนี่ชีวิตเราจะดิ้นออกไปไหนเพราะฉะนั้นเมื่อจิตหลุดออกจากสติปัฏฐานแน่นอนมันจะไปอยู่ในเส้นทางสายนี้เป็นธรรมชาติธรรมอะไรลและเมื่อเข้าไปอยู่ในเส้นทางสายนี้เป็นไปตามอํานาจของสิ่งที่ผูกคือกิเลสทั้งหลายแล้วมันก็จะไป จนอยู่กับความทุกข์เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้อริยสัจสี่นั่นน่ะประกาศทางสองสายเลยทุกข์กับส ม, มุทยัยนีโรอดกับมรรคสายหนึ่งก็ไปสุดอยู่ที่ทุกข์สายหนึ่งก็ไปสุดอยู่ที่ความพ้นทุกข์ความดับทุกข์นี่เหมือนกัน ถ้าเราเดินอยู่ไม่เริ่มต้นด้วยทางสติปัฏฐานเราก็จะไปเดินอยู่อีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งเอาเครื่องผูกที่สามคือทิฏฐิโยเคณสังยุตตาทิฏฐิคือความเห็นความเห็นของเรา มันเป็นใหญ่เหลือเกินในชีวิตของเราถามว่าในชีวิตเราเนี่ยมีอะไรเป็นใหญ่ก็ความเห็นของเรานี่ยความเห็นของเราลงเราได้เห็นอย่างไรเราจะพอใจในความเห็นมีความเยื่อใยต่อความเห็นของตัวเองเรียกว่าสิ่งที่เห็นใครในสิ่งที่เห็นเพลินกับสิ่งที่เห็น ยื่อใยกับสิ่งที่เห็นหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เห็นกระหายกับการที่เกิดความเห็นอย่างนั้นแล้วเร่าร้อนกับความเห็นนั้นนั้นยั่งลงในความเห็นนั้นนั้นสุดท้ายทยานไปตามกำลังของความเห็นนั้นนั้นนี่เรียกว่าเครื่องผูกอีกตัวหนึ่งความเห็นผิดทั้งหมดจัดเข้าอยู่ในในนี้ด้วยเนี่ยสามเชือกนี่ ในสมเครื่องผูกทีนี้เครื่องผูกตัวที่สมพระพุทธเจ้าเรียกว่าอาวิชายะปุรคตามันไม่ผูกธรรมดามันเป็นเครื่องผูกปุรคตาเนี่ยหมายาว่าเป็นเครื่องผูกที่คอยเคลือบโอบอุ้มไอ้เครื่องผูกทั้งสนั้นให้มันรัดรึงแน่นหนามั่นคงเข้าไปด้วยเพราะถ้าท่านทั้งหลายไม่มาเดินในสายสติปัฏฐานท่านจะต้องหลุดอยู่ในสายนี้แน่นอน เด็ดขาดเด็ดขาดเลยเระฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องว่าความไม่ประมาทในเรื่องของเวลาก็คือว่าให้ใช้เวลาและก็ขับเคลื่อนรูปนามนี้ ตั้งต้นที่สติปัฏฐานไอ้เครื่องผูกเหล่านี้มันจะถูกปลดเปลื้องได้ด้วยสติปัฏฐานเรียกว่าด้วยอำนาจของสติเลยถ้าเราไม่อยู่ในสติปัฏฐานหรือไม่จะเรินสติให้เข้าสู่สัมมาสติ เราไปเดินอีกทางหนึ่งนั่นเรียกว่าปิดทางปิดทางของตนเองปิดเลยแหละยิ่งเราไปเพิ่มเครื่องผูกให้มันแน่นหนามั่นคงเข้าไปนั่นเรียกว่าเรียกปิดทางเลยพระพุทธเจ้าสอนว่าเยกาเบปริญญายะ ภาวะโยคังจะสับปะโซหมายความว่าให้เรากำหนดรู้กำหนดรู้กามโยคะและภาวะโยคะชรู้นี่คือหมายความว่ า, วารู้รู้ก็เลยรู้ความจริงของเขาการฟังเรื่องนี้ต้องทําความเข้าใจให้ดีทําความให้ทําความเข้าใจเพื่อที่จะให้เราพิจารณาตามได้นะ ถ้าฟังแล้วไม่ทำความเข้าใจพิจารณาตามไม่ได้มันไม่ได้ประโยชน์เลท่านว่าเยกาเมปริญายะภวะโยคังจะสัปปะโซให้กำหนดรู้ตามความเป็นจริงในเรื่องของกามโยคะและภาวะโยคะทิฏฐิโยคังสมุหะจะถอนถอนทิฏฐิออกไปอวิชันจะ วิราทะยังสามรอบอวิชาจําหลักไว้ก่อนสามรอบอวิชาแล้วตรงจัดต่อว่าสับบยโยคะวีสังโยค า, าสับบยโยคะวิสังยุตตาเตเวโยคาติคามมนิผู้ที่พระโยคะทั้งปวงที่ว่านี้แล้วเนี่ยเราเรียกว่าผู้รู้ นี่พระพุทธเจ้าตรัสไม่ใช่สมรมะตรัสคําว่าเรานี่หมายถึงพระพุทธเจ้านะสบะโยคะวีสังโยคาเตเวโยคาติขามุนีว่าเราเรียกผู้ที่พราดโยคะนี้ออกแล้วเราเรียกผู้นี้ว่าผู้รู้เพราะฉะนั้นมันจึงต้องเริ่มต้นที่ไหนมันต้องเริ่มต้นที่รู้เนี่ยจึงจะเข้าไปในสติปัฏฐานได้ถ้าไม่เริ่มต้นที่รู้ในสติปัฏฐานนี้เราไม่สามารถไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ เพราะไอ้เครื่องผูกที่ว่านี่มันทำให้ธรรมชาติของเราไหลลื่นไปกับสังสารวัตไหลลื่นไปเรื่อยๆท่านให้เราปฏิบัติไปแบบไหนอยู่กับสติปัฏฐานให้สติปัฏฐานมันเกิดขึ้นกับเราอยู่ในแบบไหน จิรังวาปิวาติดทั้งนิสินโดอุดวาสยังเดินก็ตามยืนก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามโยวิตกังวิตกะเกติปาปะกังเคานิสิตังว่ามันจะต้องอยู่ในทุกขณะของเรียบทยี่จะต้องตามดูความคิด พิชิตพวกนี้อยู่ทุกอิริยาบถอยู่ทุกขณะของมันถ้าไม่เช่นนั้นเรื่องราวที่กล่าวมานี่ถ้าไม่เช่นนั้นนะสัตเบสตาคัชันติสังสารังชาติมรณคามิโดอันนี้บทสรุปของมันในอสายโนนสัตเบสตตาคัชันติสังสารังหมายความว่า พวกสัตว์ทั้งหลายที่ยอมจมจนอยู่กับเครื่องผูกเหล่านั้นจะต้องชาติมรณาคามิโดก็จะเป็นไปในกลไกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีเกิดแก่ตายไปตามลำดับรับทุกข์อยู่ในสงสารนี้ถ้าพวกท่านทั้งหลายรู้สึกว่า ไอ้เกิดแก่ตายพลัดพรากไอ้ความทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตนี่โอ้ยมันเป็นเรื่องหอมหวนเป็นเรื่องหน้าอะไรอาวอ์เป็นเรื่องหน้ายินดีก็ไม่เป็นไรจงเดินต่อไปแล้วมันเวียนเกิดเวียนตายไปต่อไปพอเกิดมาปั๊บก็นั่นนหละพออยู่กับตัวเองเมื่อไรก็ร้องไห้พอจิตหลุดออกไปจากตัวเองเมื่อไรก็เริ่มดีใจ คนที่ไม่อยู่กับสติปัฏฐานเมื่อจิตอยู่กับตัวเองก็จะเกิดการเหือดแห้งโศกเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอะไรเป็นที่หวังได้เมื่อเครื่องผูกเหล่านี้มันผูกใจเราอยู่เราอยากจะให้ตัวเราเป็นไงอยากให้ตัวเราแข็งแรงอยากให้ตัวเราสวยอยากให้ผมเราไม่ขาวอยากให้ควันเราแข็งแรงอยากให้การหายใจของเราดี อยากอยาะให้เราเลิศบูรเพอร์เฟกไปเสียทุกอย่างแต่มันไม่เป็นไปดังที่ใจหวังมันไม่ได้เป็นไปดังที่ใจปรารถนาเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่กับตัวเองทีไรจิตใจมันว้าเหวมันเศร้าต้องปล่อยให้จิตของเราอยู่ออกไปข้างนอกอยู่กับสิ่งหลอกลวงอยู่กับสิ่งสมมติอยู่กับโลกไว้เรื่อยๆเข้ามาอยู่กับตัวเองไม่ได้แต่การที่จะไปอยู่ให้การที่จะเดินในเส้นทางอีกสายหนึ่งเพื่อการไปสู่ความสิ้นทุกข์นั้น มันก็ต้องอยู่กับตัวเองให้จบอ่ะยาสติปัฏฐานนี่คือการอยู่กับตัวเองให้จบเพราะในเรื่องของการใช้เวลาในวันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยต้องพิจารณาถึงเรื่องราวเหล่านี้แหละมันจึงจะเกิดเป็นมงคลอย่าไปบันเป็นอย่างคําที่คนเขาพูดว่าเรานึกถึงไม่ได้นึกถึงเรื่องความตายนึกถึงเรื่องความรัปรากนึกถึงเรื่องความอันิิจังแล้วมาเป็นอัปมงคลกับชีวิต ออย่างนั้นะออย่างงี้เรเรียกว่านึกถึงความจริงการรู้ถึงความเป็นจริงจึงเป็นเรื่องที่เป็นมงคลที่สุดกับชีวิตของสัตว์ที่เกิดมาและจนด้วยทุกนะกับสัตว์ที่ปรารถนาที่จะพ้นจากความทุกข์การรู้ความเป็นจริงจึงเป็นสิ่งที่เป็นมงคลที่สุด เราทำสมาธิเดินภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกผลจิตเนี่ยเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อรู้ความจริงนั่นแหละถ้าทำแล้วไม่รู้ความจริงแสดงว่ายิ่งนั่งมันยิ่งหลงยิ่งเดินมันยิ่งเพลินถ้าหลงและเพลินมันก็จะอยู่ใ น, นกลไกของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างเดิมไอการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยอย่าไปพูดให้มันยาวไกล เอาเพียงแค่ว่ามันเป็นความทุกข์จมอยู่กับทุกข์แช่อยู่กับทุกข์รัดรึงอยู่กับความทุกข์ไม่สามารถไม่สามารถที่จะทำให้พ้นจากความทุกข์นั้นได้นี่พวกท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่ดีกว่าดีที่ฟังอยู่ทางบ้านกว่าดีหรือที่ไปวังย้อนหลังกว่าดีไม่รอดพ้นจากความทุกข์เพราะไม่ได้เริ่มต้นที่สติปัฏทานไม่ได้เริ่มต้นที่รดิปัาน เมื่อไม่เริ่มต้นที่สติปัฏฐานเครื่องผูกทั้งหลายก็รัดรึงอย่างเหนียวแน่นเมื่อเครื่องผูกเหล่านั้นรัดรึงอย่างเหนียวแน่นแน่นอนที่สุดเราก็จะอยู่ในสงสารนี้เป็นปกติคือเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละทีนี้ในสติปัฏฐานที่กล่าวถึงเนี่ย หลายในเดือนหนึ่งก็มีดูหลายครั้งมั้งมีบางครั้งท่านก็มาเคลื่อนไหวเนี่ยท่ามาที่สอนแบบเคลื่อนไหวเป็นสติปัฏฐานไหมฮะเป็นไหมเออเป็นสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าสอนสี่อย่างคือกายานุปัสสนาจิตใเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนา กายาน่พัสสนามีอะไรมั้งฮะท่านเริ่มต้นที่ไหนลมหายใจทำไมเริ่มต้นลมหายใจรู้ไหมฮะ <c oughs> เพราะสำคัญสุดสำคัญที่สุดลมหายใจนี่สำคัญที่สุดด้วยเหตุที่ว่า เราจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเราก็ต้องหายใจเราจะดีหรือชัว่วเราก็ต้องหายใจเราจะเป็นอะไรก็ช่างเราต้องหายใจเราจะโกรธอยู่กับกิเลสเราก็ต้องหายใจเราอยู่กับธรรมะอิ่มอยู่กับปิติเราก็ต้องหายใจเพราะฉะนั้นลมหายใจจึงเป็นยอดยอดของธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดและสอนก่อนสอนก่อน วิธีพิสูจน์ง่ายๆเราเราหายใจเข้าไปแล้วเราเราเราไม่หายใจออกเลเอ๋ในอิริยบทซึ่งเป็นส ต, ติมัธฐานเหมือนกันมีอิริยบทใหญ่คือยืนเดินนั่งนอนอิริยบทย่อยก็เยอะแ ย, ย, ยะมากมายการคู่การเหยียดการเหลียวการเอียงแต่ว่าในอิริยาบททั้งสี่นี้ยเรานั่งอย่างเดียวเราไม่ยืนได้ไหมได้ นั่งอย่างเดียวเนี then. <c oughs> then like zweite, hey, ่ยยู๋ไม่ยืนก็ได้นั่งได้นานเราไม่ยืนเรานั่งอย่างเดียวไดหรือเรายืนอย่างเดียวเราไม่นั่งได้เราบอกไอ้ตรงนี้ฉันไม่ยืนอ่ะวันนี้ฉันนั่งหรือวันนี้ฉันจะนั่งฉันจะไม่ยืนอ่ะเลือกได้แต่บอกวันนี้ฉันไม่หายใจออกวันนี้ฉันหายใจเข้าแล้วฉันไม่หายใจออกวันนี้ฉันหายใจออกแล้วฉันไม่หายใจเข้าไม่ได้ เราไปเล่นกันลมหายใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเพราะลมหายใจสาคัญที่สุดพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าลมหายใจเป็นกายสังขารและเป็นเครื่องปรุงแต่งกายถ้าไม่มีเครื่องปรุงแต่งกายกายนี้อยู่ไม่ได้อะไรคือเครื่องปรุงแต่งก็คือลมอัดสาสะปัดสาสะคือลมหายใจออกลมหายใจเข้านี่แหละ จรองๆสําคัญสุดพระพุทธเจ้าจึงเริ่มสอนตรงนี้ในยามที่เรากําลังโกรธอยู่เราก็จะหาความสะหบให้กับใจของเราไม่ไหวแล้วโกรธแล้วมันเป็นทุกข์เราจะทําอย่างไรไปอยู่ตรงไหนดีเอาน้ํามาอาบเย็นกายแต่ใจมันยังร้อนเออหลบไปอยู่ตรงโน้นก็ร้อนหลบไปอยู่ตรงนี้ก็ร้อนมันมันโกรธอยู่อะเราแต่เราไม่อยากอยู่ตามนัานของความปวดเราต้องการให้มันมีความสุขเราจะทำอย่างไง อลมหายใจก็เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดก็อยู่กับลมหายใจเสียอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าจึงสอนเรื่องอาณาปานติก่อนแล้วก็สอนทั่วไปเมื่อได้อาณาแล้วมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่แล้วต่อไปอะไรที่เกี่ยวกับกายกับใจเนี่ยก็สามารถที่จะไปปฏิบัติได้หมด มันสามารถที่จะไปปฏิบัติได้หมดแต่เราจะต้องรู้ลมหายใจให้เป็นนี่จะไปทำอย่างอื่นได้หมดอ่ะได้ทุกฐานเราจะบอกว่าเนี่ยพอนั่งถึงมันฟุ้งซ้านดูลมหายใจแล้วฟุ้งซ้านถ้าไปนั่งอย่างอื่นแล้วมันดูดี มันก็นั่งกี่สิบชาติกี่ร้อยชาติก็นั่งอยู่อย่างนั้นนะ่ะมันดูดีไงนั่งอย่างอื่นแล้วก็ดูดีเราจะมาบอกว่าเมื่อเมื่อดูจิตโอ้โหดีมากแต่พอดูลมหายใจแล้วมันไม่ได้อ่ะมันไม่รู้เรื่องอะ่ะเอแสดงว่ารู้มันคนละตัวกันเลใช่ไหม มันไม่ใช่สติปัฏฐานนะทีถ้าดูจิตต้องเป็นจิตสติปัฏฐานดูลมหายใจก็ต้องเป็นลมหายใจต้องเป็นสติปัฏฐานถูกปะถ้าไม่ใช่สติปัฏฐานแสดงว่าไม่ไปได้ยืนในฝักฝ่ายของความรู้ยิง่งถ้าไม่สติปัฏฐานจะไม่อยู่ในฝักฝ่ายของความรู้ยิงท่านรู้เจ้าสอนชาต่ะ แต่ดูความคิดได้ไ้ยดูจิตได้ไหมดูได้โห้โยนั่นอย่างดีเลยแหละแต่ดูแล้วมันจะต้องไม่ไม่ขัดแย้งกับอะไรพระเจ้าให้เราเริ่มต้นด้วยความถนัดระดวงรนดัหนึๆๆๆ่เริ่มต้นที่ลมหายใจมันง่ายมันง่ายสุดนุ่มนวลเป็นกลางสมาณฉันต่อทุกอารมณ์ลมหายใจคนนอนป่วยอยู่ อย่างท่านกิริมานนนนป่วยอยู่พระพจ้าก็ไปให้อะไรก็ให้อานาเหมือนกันทีว่าอานาปานาสติให้ปลดเปลื้องด้วยก่อนปลดเปลื้องด้วยสัญญากรให้ให้ปลดเปลื้องการยึดถือทั้งหลายแหละให้มองความไม่เที่ยงมองความเป็นตุกมองความเป็นอนัตตามองความเป็นโทษมองความเป็นสิ่งชกปลกมองความเป็นปฏิกูล มองการปรุงแต่งมองไปเรื่อยๆจนจิตมันเอ้ยไอ้นี่ก็ไม่ขานี่ก็ไม่เที่ยงรูปก็ไม่ย้อนมาถึงที่สนันหน้ารูปก็ไม่เที่ยงนอนปวดอยู่เนี่ยพอพิจารณาอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยวางได้จิตไม่รู้จะไปไหนก็สุดท้ายพระเจ้าสอนาอนาปานสติเป็นตัวที่สิบในสัญญาสิบของคริมานน์ ในสัญญาสิบประการข้อสิบคืออาณาปา น, นสติพอปลดเปลื้องภาระของใจไปสบายๆแล้วก็ยกลับมาที่อาณาพอเข้าสู่อาณาทีนี้มันก็สบายก็สบายเพราะฉะนั้นการใช้เวลาที่ันพูดเรื่องการใช้เวลาเฉยๆการใช้เวลาในการที่จะให้เฉลิมฉลองกับชีวิต เราก็ต้องใช้ให้เป็นแบบพุทธต้อใช้ให้เป็นในฐานะที่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราก็จะทํำยังไงล่ะเราก็ดูที่พระพุทธเจ้าใช้ยังไงเออเราไม่ถึงขั้นพระองค์ก็ได้แต่ให้ดูวิธีการใช้เวลาของพระองค์ให้ดูเข้มงวดเข้ามาก็ให้ดูตอนไหนดูตอนที่พระองค์ประกาศว่าอีกสามเดือนจะป ร, ริพันธ์นั่นหมายความว่าพระพุทธเจ้าจะเหลือเวลาเพียงแค่เก้าสิบวัน แต่ละวันที่ทรงใช้ไปแต่ละเวลาแต่ละยี่สิบเจ้าบงที่ทรงใช้ไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่เรทรงใช้อย่างไรคําพูดคําจาที่พระองค์ทรงจัดในระหว่างนั้นจัดเรื่องอะไรเน้นในเรื่องของความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตทั้งสิน้นจัดถึงบุคคลผู้ซึ่งมีการปฏิบัติเป็นภูมิของผู้ปฏิบัติ มันพวกเราเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยทือว่าเป็นนักปฏิบัติฮนะนี่ออกจากบ้านมาก็ถามว่าไปไหนอ่ะอ๋อจะไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแหม่พูดเสพพออีกอาทิตย์หนึ่งเาไปไหนอ๋อจะไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมไม่รหน้าตายัางเด็กๆอยู่ว่าไปไหนน้องอ๋อจะไปฟังเทศแหมมันดูเท่มากนี่พวกสาวๆเป็นยังห น, นุนมันละโสดๆตั้งหลายเดไปไหน ไปปฏิบัติธรรมบางคนมีครอบครัวมีสามีมีลูกเช้าขึ้นมาแต่งตัวเดินออกมาแล้วไปไหนอ๋อจะไปปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์แทนที่จะอยู่กับสามีอยู่กับลูกไม่อยู่เลไปปฏิบัติธรรมมันเท่มากเลยเรายิ่งปฏิบัติเราจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าปฏิบัติถูกต้องเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของนักปฏิบัติคืออะไรเออ ต่กี้ยกเป็นปาลีเป็นภาศิทธ์เข้ามาเลยนี่เป็นพิสูจน์เนื่การใช้เวลาเราใช้เวลาในการปฏิบัติมาหลายคอร์สไปหลายสำนักบางคนที่บ้านนะ่ะกระเป๋านะในกระเป๋าที่ถือนะมีบัตรคอร์ส ต, ต่างๆอยู่แทบจะเต็มยี่ห้อโรงพยาบาลนี่เราจะต้องสังเกตข้อเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นกับเรา ของนักปฏิบัตินะนักปฏิบัติจะต้องมีข้อเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวมีอะไรมัง่งดีๆเยอะๆของที่ดีๆแต่วันนี้ได้ยกบาลีให้พวกเราได้ฟังตั้งแต่ตอนเป็นหัวข้อของของธรรมะวันนี้ว่ อนาพิจารุวิหารุยะอะไรอ่ะพันเดนะเจตสูสะโตเอคกจิตัสอะจัดตังสุสมาหิโตอนาพิจารุวิหารุยะที่นี่พูดหลายครั้งคนที่เป็นนักปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเข้าไปบ่อยๆเข้ามันจะกำจัดอนาพิจาไปโดยปริยาย มันจะริดรอนบั่นทอนลดความอยากลงไปสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะเอาอยากจะเอาอยากจะเอาอยากจะเอ า, อย า, เ, อาเยอะแยะมากมายที่มันรายสาระจะถูกริดรอนออกไปก่อนเพราะอำนาจการเจริญขึ้นของของอินทรีย์ปัจจัยมันมีความเจริญขึ้นของอินทรีย์มันจะทําให้ลด เกิดการสมดุลขึ้นตามกําลังของอินทรีย์กับอํานาจของกิเลสเมื่ออินทรีย์มีกําลังกิเลสก็จะอ่อนด้อยและมันเป็นธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์ของมันอย่างนี้แล้วเมื่ออินทรีเหล่านี้เติบโตขึ้นมาไอ้นี่ก็จะค่อยลิดตัวนะไอความอยากอันใดที่มันร้ายประโยชน์ร้าสาระมันเป็นเพียงแค่รสนิยมและความนิยมความชอบส่วนตัวไอนี่เป็นอนัวิชาล้ เป็นความเพ่งเิ็งออกมาจากความอยากปกติความอยากปกติเช่นว่าเราไปทำงานเพื่อต้องการเงินหิวกินข้าวอาบน้ำแต่งตัวเลือกสีที่ถูกกับตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ที่มันหอกออกมาจากความปกติเช่นว่า <c oughs> ถุงเท้าอย่างเนี้ยซื้อมาทิ้งซื้อมาตั้งไว้ในตู้เสื้ร้อยคู่รองเท้าเป็นร้อยร้อยคู่ตั้งไว้เงี้ยเราก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งไร้าสาระเยอะมากที่มาจากความอยากของเรา ความอยากที่มันมาตั้งแล้วไ ร, ร้สาระนี่เรียกว่าอนนาพิชาเมื่อเราปฏิบัติแล้วความเร็งความเพ่งเล็งตัวนี้ความอยากอันอันไ ร, ร้สาระล่านี้ก็จะถูกออกไปโดยบริยายจะค่อยๆลดลงไปค่อยๆลดลงไปโดยตัวก็มันเองด้วยการเจริญขึ้นของภูมิธรรมนี่ว่ะไม่ต้องพูดว่าอินทรีย์ด้วยการเจริญขึ้นของภูมิธรมม ร, ร, มธรมอย่างนี้ถ้าปฏิบัติถูกวิธีเราก็จะได้ผลแบบนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สอง อพยาปันเดนเจตาโซมันจะมีใจไม่พยาบาทเรียกว่ามีใจพร้อมที่จะอภัยนี่นักปฏิบัติเพราะอะไรเพราะสติที่มันแข็งแรงจากการ ป, ปฏิบัติของเราภูมิธรรมที่มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโ ต, ข, นตขึ้นในใจของเราเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเข้มแข็งทนในสิ่งที่กระทบ อันใดที่กระทบปั๊บแต่เดิมถ้าจิตไม่มีภูมิอ น, น, นี้มันอ่อนพอกระทบปั๊บมันก็เกิดทุบปั๊บมันก็เกิดทุบปั๊บมันก็เกิดอารมณ์เราจะตกอยู่ไปใต้อำนาจของโทวสะของพยาบาทอยู่ตลอดเวลาแต่พอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปภูมิตัวนี้มันแข็งแรงขึ้นมาพอมีสิ่งมากระทบปับ๊บมันไม่เกิดพอไม่เกิดมันทําให้อะไรทำให้มีระยะ พอมันไม่เกิดอารมณ์เข้ามาครอบงมกับสิ่งที่มากระทบปับ๊บมันก็เกิดความนิ่งความว่างเปล่าตรงนั้นเรียกว่ามันเกิดระยะทำให้เราได้พิจารณาปัญญามันก็เลยออกมาไอ้ปัญญาที่ออกมาในขณะที่จิตมันตั้งนิ่งไม่ไม่หวไปกับสิ่งที่กระทบอันนั้นน่ะเป็นปัญญาที่พร้อมที่จะใช้เป็นกุศลโดยตัวก็มันเอง ถ้าเราเป็นคนที่กระทบไม่ได้ไม่ยอมคนเพใจฉุดๆเลยสู้ตายแล้วถ้าอยู่ๆคนก็เดินมาหาเรื่องเราเราก็จะทู่เขาเลยเราจะเทเข้าไปเลยแต่พอเราฝึกฝนปฏิบัติขัดเปล่าจิตไปภูมิทําตัวนี้เกิดไอ้คนเดิมมันมากระทบปับ๊บมันเกิดอาการที่เราก็ไม่รู้ตัตวหรอกแต่มันไม่เป็นไปดันงนั้น มันไม่ครอบอารมณ์มันก็มองเห็นไอ้คนที่มาโกรธเราว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะหาเรื่องเราอย่างนั้นมันจะทำอย่างนี้เราก็มองเห็นเอ๊มันเป็นอะไรเนี่ยเราจะสามารถที่จะหยุดคนนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งเป็นเวร เ, เ, เป็นกรรมกันต่อไปแต่ว่ามันทําให้ได้ใช้ปัญญาในการที่จะแก้ปัญหาแบบสันติวิธีและยุติ การปรุงแต่งเพื่อก่อเวรก่อกรรมกันกต่อไปเอายกตัวอย่างมาัก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งพอเนี่ยเป็นลักษณะเดียงต่อมาว่าเนี่ย ต, ตาจัดตัวตนจัดแล้วก็รุนแรงพอมาฝึกฝนเดินจงกรมนั่งสมาธิดูลมหายใจไปเรื่อยๆๆๆๆๆวันหนึ่งก็ไปตีเทนนิส ที่มันมีคอร์ตเทนิดอะแล้วก็ไปตีเทนิดประจำเอาไปตีเสร็จแล้วก็ถ้าทุกครั้งที่ไปตีเทนิดเนี่ยถ้าเกิดมีการโกงกันในคอร์ตเนี่ยก็จะมีเรื่องได้แกก็จะเป็นตัวหลักแล้วมีคนหนึ่งมีเรื่องกับเขาไปเรื่อยเป็นผู้ชายอายุมากแล้วก็หาเรื่องก็ไปทั่ววันนั้นก็หาเรื่องไอ้คนเนี้ยก็เคย ปะกันมาได้รอบหนึ่งแล้วหลังจากแกมาปฏิบัติแล้แกก็ไปที่ขอเทนิสอีกรอบหนึ่งคนชายผู้ชายคนนี้อายุประมาณห้าสิบกว่าก็เดินเข้ามาถึงหาใส่เลยว่าแรงๆเสียๆหายหายแล้วแกก็นิ่งได้วันนั้นแกงงกับความเป็นตัวแกมากเลยแล้วแกนิ่งได้แกนิ่งแกดูอาการที่ผู้ชายคนนั้นมายืนด่าว่าแกด้วยอารมณ์โกรธหลังจากแกนิ่งเสร็จแล้วแกก็คิดว่า ถ้าเราจะไปพูดต่อว่าเราต่ออะไรกัเขาออกไปเนี่ยมันก็จะต่อยึดกันไปอีกเราทําอย่างไรให้เขาสงบและจะไม่ทะเลาะ ก, กันอีกนี่ไอ้คาพูดดีๆมันก็ออกมาดิเออเนี่ยเมื่อนิ่งได้ปัญญามันก็จะมาเขาเรียกว่าสติมาปัญญาเกิดเคยได้ยินไหมเนี่ยน่ะเราบอกว่านี่คุณเป็นเป็นอาของหนูแล้วนะคุณนี่เป็นอาของหนูได้เลยนะ คุณควรจะเป็นคนที่เมื่อเราเจอกันแล้วหนูก็ยกมือไหว้ไม่ดีกว่าเหรือทาไมถึงจ้องให้มาทะเลาะ ก, กันอย่างนี้แล้วก็พู ด, ด้วยอารมณ์ปกติคนถ้าไม่มีสติจิตไม่นิ่งในขณะนั้นเมื่อสิ่งมากระทบมันจะพูดได้ได้ได้นิ่งไหมมันไม่นิ่งอะ่ะและถ้าพูดนิ่งแต่ในขณะที่อารมณ์มันเดือดอยู่คนฟังมันก็จะรับรู้ได้ว่าไม่จริงใจ ถ้าพูดเย็นจิตนิ่งมีสตินั่นน่ะมันก็เกิดได้เพราะฉะนั้นผลของการภาวนาเนี่ยอยปยปนนาเจดาโซ่เนี่หมายความว่าต้องไม่มีใจพยาบาทใจของเราแต่ต้องพร้อมที่จะอับัยเสมอนั้นวิธีทดสอบเราก็ดูดูย้อนหลังชีวิตตัวเองหลังแต่เราปฏิบัติมาเนี่ยเรายอมอะไรไปบ้างแล้อยัง ไอ้จากการที่เราเคยกระทบแล้วมันยังงั้นมันยังงั้นมันยังงั้นมันยังงั้ น, นตอนนี้เราดีขึ้นไหม <c oughs> ดูด้วยความซื่อตรงนะอย่าเข้าข้างตัวเองนะดูด้วยความซื่อตรงอย่าเข้าข้างตัวเองนะว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะอภัยหรือไม่เราดูเอ้ยมันกว้างไปนะ เอาในครอบครัวก่อนบางคนผอบอกว่าให้ดูในครอบครัวก่อนไอ้ครอบครัวไม่ได้สิไอ้นี่มันผมต้องรับผิดชอบผมต้องดูแลมันก็ต้องเอมือนเป็นญาอย่างนี้มาดูที่ไหนไม่ได้ดูในครอบครัวก่อนเรามีพ่อมีแม่มีสามีมีภรรยาเรามีลูกมีคนในครอบครัวของเราลองดูทีละคนสิ กับคนนี้มันกระทบกันบ่อยนี่บางดีไม่ดีบางคนก่อนมานี่เช้านี่ก็ก่อนขึ้นรถมาปฏิบัติธรรมก็มีมั่งนิดหน่อ ย, ยนะบางคนอ่ต้องปรับไหมด้วยเอาภูมิของอินทรีย์เอาภูมิของธรรมที่เราฝึกผลปฏิบัติมาเนี่ยเพื่อให้มันมาใช้กับสิ่งเหล่านี้มันจะปฏิบัติไปแล้วใจมันอภัยไม่ได้เนี่ยต้องคิดดูนะปฏิบัติไปแล้ว ใจมนานับไไม่เป็นเนี่ยลองพิจารณาดูนะปฏิบัติไปแล้วไม่มีคาว่าอโหสีเลยอะ่ะมีแต่ขออาโหสีเขาอยู่เรื่อยมีแต่ขอโทษเขาอยู่เรื่อยมีแต่ขอความเมตตาเขาอยู่เรื่อยแต่ตัวเองไม่เคยอภัยได้เลยตัวเองไม่เคยอาโหสีได้เลยเนี่ยเพราะนับปฏิบัติตัวที่สองเนี่ยคือจะต้องอภัยญาปันเจตโสไม่ว่าปฏิบัติในแนวไหน อาประการที่สามสตโตแปลว่ามีสติมีสติในที่นี้หมายถึงสติชอบนะสติคือเอามาตั้งสติตั้งสติตั้งสตินั่นแหละที่เราพูดกันว่าตั้งสติตั้งสติพูดกันบ่อยเกินเลยตั้งสติดิแต่ว่าไม่รู้ตั้งยังไงไอ้คนพูดไปยังตั้งไม่เป็น เราตั้งสติเห็นคนกําลังโกรธอยู่กำลังจะตีจะทะเลาะกันแล้วเฮ้ยอย่าทีตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนไอคนที่ไปพูดเลยเขาตั้งสติก็ ย, ยังไม่รู้เลยว่าตั้งสติยังไงแต่พอได้ยินคำว่าตั้งสติมันก็หยุดชะงักสโตนี่คือมีสติมีสติกับการใช้ชีวิตอจตั้งสุเอกคตจิตตสะ อัจฉตังสุสมาหิโตมีจิตตั้งมั่นภายในด้วยอารมณ์เป็นหนึ่งต้องฝึกฝนในจิตเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันเป็นภายในเราเรียกว่าความเป็นกลางให้จิตอยู่กับความเป็นกลางอันเป็นภายในเนี่ยอยู่ได้บอได้ไหม อยู่ได้ไหมยากอีกอ่าวเราต้องดูตรงไหนดูสติปัฏฐานเนะี่ยให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันเป็นภายในอ่ทีนี้ก็ไม่ยากแล้วให้ตั้งอยู่ที่กายด้วยใจเป็นกลางให้มันตั้งมั่นด้วยความเป็นกลางคือตั้งมั่นแบบไหนตั้งมั่นชนิดที่เรียกว่าไม่มีตัณหามานะทิฏฐิ ตั้งแบบไหนเอเคยเล่าให้ฟังเรื่องเต่าใช่ไหม เ, เรื่องกระดองเต่าเต่าหดกระดองน่ะนะไอ้นั่นก็อย่างหนึง่งหรือว่ายะ้าทรรมเพนิบันเทยะวัดจังดบมังนะโรอิทะบันเตยีวังสกังจิตตังสติยาระมาเดดันหังอย่างี้เหมือนกับผูกลูกโคไว้ที่เสาแล้วก็ฝึกมัน มันจะดิน้นมันจะดิน้นมันก็ยังอยู่ในหลักไปแค่สุดเชือกเดียวมันก็วนวนไปเดี๋ยก็กลับมาเองคนผู้ซึ่งจะฝึกจิตนั้นจะต้องผูกจิตของตนไว้ในอารมณ์อันเดียวให้มั่นด้วยสตินั่นแหละท่นเราจะต้องนักปฏิบตัติต้องฝึกฝนหรือว่านักธรรมะนะต้องฝึกนฝนผูกจิตของตนไว้ในอารมณ์อันเป็นสติปัฏฐานนี่แหละ ให้มั่นด้วยสติคือให้มั่นด้วยสติหมายความว่าให้มันมีการต่อเนื่องนานๆนนได้ถ้าจิตมันสามารถผูกอยู่ในกับอารมณ์หลนั้นเราเห็นรู้ว่าจิตเราผูกอยู่กับอารมณ์หลนั้นได้อันนั้นเรียกว่าตั้งอยู่ภายในในขณะที่ตั้งนั้นพระพุทธเจ้าว่าเป็นอนิสิโตคือว่า มันไม่มีอาตัญหามานะ t i t ฐิอาศัยหรือมีเราลองดูสิในขณะที่เรานึกดูนี่ขณะที่เรารู้สึกลมหายใจหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ไอรู้ที่ไปรู้ลมหายใจนะมันมีสองอย่างลมหายใจคือสิ่งที่ถูกรู้กับรู้ที่ไปรู้ลมหายใจรู้ว่านั้นอ่ะมันบริสุทธิ์ไหมมีตัญหามา n ะท i t h ิอยู่ในนั้นไหมมันจะด่าใครไหมไม่มีไอรู้นิ่งอย่างนั้นน่ะ เรียกว่าอยู่ภายในให้จิตสัมผัสกับรู้อย่างนั้นให้มีรู้อย่างนั้นเกิดขึ้นที่จิตมัน ก, ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจะเป็นภูมิของนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องตรวจสอบตัวเราเองด้วยด้วยด้วยด้วยสี่อย่างนี้ถ้ามันยังอยากแบบไร้สาระ ลิงพิงอย่างไรสาระนั่นน่ะยางยางก่อนหรือถ้ามันยังแบบอภัยคนไม่เป็นก็แสดงว่าภูมิของธรรมไม่เกิดและสำคัญเป็นเรื่องเราของความสุขเลยและถ้าสี่อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อใดไอ้เครื่องผูกที่กล่าวไว้ตอนต้นน่ะทั้งสี่ผูกแล้วนะ่ะ มันก็จะสะเทือนมันก็จะอ่อนกําลังลงยกตัวอย่างว่าอันหน้พิชาถูกกําจัดหรืออันหน้พิชาไม่เกิดขึ้นที่จิตจิตเดินไปถึงปับ๊บเห็นเขาแต่ก่อนนี่เห็นไม่ได้ไงเห็นต้องซื้อเห็นต้องซื้อพอไปเห็นปับ๊บไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกว่าจะต้องซื้อจนคนที่มาด้วยกันนี่รู้สึกแปลกใจอาการอย่างนี้เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยสแสดงว่า แสดงว่ากามมายุะของเราสะเทือนแล้วสะเทือนแล้วคือมันเข้าไปกันได้หมดพอถูกทางแล้วมันก็เข้ากันได้หมดเพราะมันเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพราะฉะนั้นสวัสดีปีใหม่เช้านี้ก็คุยกับพวกเราว่าให้อยู่กับความไม่ประมาท ให้มองค่าของเวลาเนี่ยเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านใช้เราใช้ชีวิตของเราไปเราก็ใช้ไปเรื่อยๆแต่ว่าอย่าไปประมาทอย่าไปประมาทจนเกินไปโดยเฉพาะเราเป็นคารวาสเราไม่ใหญ่พระจะมาเราก็จะอาจจะใช้ วันนึงบี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งอะ่ะมีว่วงเวลาหนึ่งอะ่ะไม่ปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆแน่คือเราใช้ด้วยอำนาจของกิเลสใช้เราเนี่ยเพื่อเป็นไปในโลกนี้สักกี่ชั่วโมงก็จังแต่เราก็ควรจะมีสัก20สนาที30นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งเพื่อให้มาหยุดอยู่บนสติปัฏฐานอยู่ที่สติปัฏฐาน ไม่อย่ากให้มันเอาไปทั้งยีิบสี่ชั่วโมงมันยื้อกลับมามั่งไม่ได้โดยการเดินจงกรมให้ได้โดยการนั่งสมาธิไม่ได้โดยการนั่งสมาธิก็ให้ได้หรือการเดินจงกรมหรือไม่ยังไงเอาอะไรไม่ได้แล้วสวดมนต์ก็ยังดีต้องยื้อกับมันยื้อกับมันให้ได้ถ้าเราทําอย่างนี้ได้เลนว่าเรา กำลังสแสวงหาสิ่งที่เป็นมงคลอย่างแท้จริงไม่อย่างนั้นเราก็แก่แล้วก็ตายไปเฉยๆร่างกายนี้มันจะอะไรนักหนาเนี่ยตา ม, มานี่เดี๋ยวนี้ไปแล้วเขาคือก็ไปแล้ว ไม่นานนั่นก็ผุพังหมดนะนี่หลายคนนี่นั่งพื้นกันไม่ได้แล้วเนี่ยแกแล้วเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวไงเราไม่รีบใช้เราไม่รีบทําแล้วเราไปรีบทำํำเฉพาะไอ้สิ่งที่ไม่เข้าในส ม, มบัติานไม่เข้าในทางสติปัฏฐานไปทําอะไรอืรีบไปจัดไปทําไปแต่ง ในเรื่องโลกอย่างเดียวด้วยอนานาจของความหลงความเพลินสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นที่เราทำทั้งหมดมันมีอะไรมาตกมาที่เราทักันเดียวช่วยอะไรเราก็ไม่ได้ทำได้แต่ว่าอย่าอย่าหลงจนเกินไปอย่าหลงจนกระทั่งถึงประมาทลืมเรื่องราวของสติปัฏฐานลืมเรื่องราวของการเจริญสติ มันก็ต้องพูดกันแบบนี้แหละถ้าไม่พูดกันแบบนี้นะโยมเลยไม่มีวันที่จะเข้าใจเรื่องธรรมะคําสอนของพุทธศาสนาและเราฟังต้องทำความเข้าใจนะเมื่อเรามีความเข้าใจแล้วเราจะได้ปฏิบัติได้และถ้าเราไม่ปฏิบัติเราไม่สามารถไม่สามารถเลยเนี่ยถ้าเรามาถ้าเราไม่ปฏิบัติจริง เรามานั่งอย่างนี้ก็เหมือนกับการมาเจอพระทำบุญสะดอกเคราะห์เรียกหาเอ้ยวันนี้ขึ้นปีใหม่นี้ไปเข้าคดกับท่านอาจารย์ดีกว่าเพื่อเพื่อให้ได้เป็นสิริมงคลหวังเพียงแค่นั้นเราจะเข้าไม่ถึงธรรมะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นมันจะต้องปฏิบัติการธรรมะทุกตัวยมสังเกตนะขันติเมตตาฮิริโอตปะ มันต้องใช้การปฏิบัติในสถานการณ์จริงทั้งนั้นนะเอาขันติความอดทนใครใช้บ้างใช้ไม่ส่วนมากไม่เคยผ่านพ้นอุปสรรคด้วยความอดทนเลยส่วนมากเวลามันผ่านไปมั่งเหตุปัจจัยอย่างอื่นมันเปลี่ยนไปมั่งเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปมั่งคนมันเปลี่ยนไปมั่งมันเรื่องราวมันก็เลยผ่านไปแล้วเราหลงตัวเองว่าเราอดทนมาได้อืมเขาจะผิดนะ จริงๆไม่ใช่ใหอดทนมันต้องแนะ่อย่างนั่งเนี่ยป๊บเกิดทุกขเวทนาปวดขาไอ้นี่แหละที่ชื่อว่าทนจริงๆเลยทีเนี่ยทนไปดูที่ไดท่าไรทนไปดูทนไปดูทนไปดูทนไปดูทนไปดูทนไปดูสุดท้ายก็ไม่ทนความอดทนมันจึงต้องอยู่ในการปฏิบัติกับเบตตา ก็จะต้องใช้ในการปฏิบัติการจริงเรารู้เมตตาความรักใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุขรู้ทุกคนแต่เมื่อมีสิ่งมากระทบแล้วเกิดอารมณ์ไม่ชอบใจเราเมตตาลงไหมได้เอามาใช้ไหมมันใช้ไม่ทันนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านี่นอกจากรู้หัวข้อและความหมาย จะต้องลงมือปฏิบัติการด้วยจะได้มีความรู้ในชั้นปฏิบตัติเมื่อเรามีความรู้ในชั้นปฏิบตัติเราจะมีความรู้ในส่วนผลของมันผลที่ปรากฏจากการปฏิบัติการนั้นเราจะเห็นผลของมันมันจึงทาให้เราเรียกว่ารู้จริงในเรื่องนั้นๆแต่แค่จานี่พวกปริยัตเยอะถามอะไรตอบได้หมดฮนะถามดังที่พระอาปากไม่ถึงสามคเลย แกรู้ล่วงหน้าพูดได้เป็นจักจักจักจักจั ก, ก, ก, กเนี่ยเรียกว่ารู้ในทวนเหตุรู้ในทวนเหตุนี่ยับยั้งอกุศลไม่ได้ต้องรู้ในทวนปฏิบัติการจึงจะได้พระพุทธเจ้าจึงแบ่งไว้เป็นปริยั ต, ป ฏ, ตปฏิบัติปฏิเวทธรรมานี้พูดไปตามคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั่นแหละแต่ของพระพุทธเจ้าบางทีอ่ะ มันไม่ค่อยทันสมัยในภาษามันไม่เหมือนต้องไป่งถ้าถ้าให้มันแบบสนุกสนานต้องไปนั่งคิดมุกต้องคิดมุกคิดโน่นคิด น, น, ดนี่ออกมาเพื่อว่าป้อนเหยือ่อคือผู้ฟังเนี่ยให้วัวเราะสนุกชอบใจเอ้ยแล้วก็กลับหายไปแล้วก็ไม่ได้นำมันออกมาใชา้ เพราะฉะนั้นเรามาถึงชั้นนี้แล้วนะบางคนก็สี่สิบกว่าครั้งแล้วมันถึงชั้นที่จะต้องตรวจตัวเองตรวจภูมิธรรมในใจของตนเองว่าจากผลของการที่นับถือพุทธศาสนามาและการเข้าคอรปฏิบัติหลายสำนักต่างๆมาให้ดูไปที่ใจของตัวเอง ว่าเราเนี่ยในครอบครัวเราอภัยพ่อได้ไหมอภัยแม่ได้ไหมอภัยลูกได้ไหมอภัยพี่ได้ไหมอภัยน้องได้ไหมบางคนมาพูดอย่างนี้เอออภัยได้ทุกคนเนยกเว้นคนนี้ทักคนได้ไหมเพราะฉะนั้นในที่ทํางานเรามีหัวหน้าเรามีลูกน้องเรามีเพื่อนผู้ร่วมงานดูสิเราอภัยให้คนนั้นได้ไหมอภัยให้คนนั้นได้ไหมอภัยให้คนนี้ได้ไหม เมื่ออภัยง hmm. ่ายกับทุกคนได้มันจะมีความสุขทันทีที่จิตมันรู้ว่ามันอภัยได้ยังไม่ทันอภัยเลยนะแค่จิตมันรู้ว่ามันอภัยให้คนนี้ได้อภัยให้คนนี้ได้อภัยให้คนนี้ได้อภัยให้คนนี้ได้เนี่ยมันจะมีความสุขขึ้นมาทันทีจะมีความสุขอยู่ในบ้านจะมีความสุขอยู่กับที่ทํางานอภัยให้ได้แต่มันยากงั้นการภาวนาการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจึงส่งผลให้เกิดสิ่งเหล่านี้ ถ้าสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดแสดงว่ามันยังไม่ส่งมันไม่ไม่ได้ผลนะมันจะต้องควบคู่กันไปและธรรมะทุกข้อที่เรืความละอายแก่แก่ใจธรรมะทุกข้อที่มีอยู่ในในคำสอนเนี่ยเมื่อเราภาวนาเจริญจิตภาวนาให้มีสติที่แข็งแรงแล้วไอ้ธรรมะที่ออกมาจากสติที่แข็งแรงเนี้ยนั่นแหละมันคือ ธรรมะในชั้นปฏิบัติการแต่ถ้าสติไม่แข็งแรงถึงสถานการณ์ที่มันจะต้องเบิตามันเบิไม่ออกมันเบตาไม่ออกถึงสถานการณ์ที่จะต้องอดทนมันก็ทนไม่ได้รู้หมดแต่มันทนไม่ได้รู้หมดอดไม่ได้เคยได้ยินใช่ไหมนั่นน่มันถ้าเราปฏิบัติถูกวิธีรับรองได้เลยธรรมะเหล่านี้จะออกมาตั้งจากจิตของเรา ตั้งไปเลยตั้งไปเลยตั้งไปเลยตั้งไปเลยตั้งไปเลยในสมัยก่อนพระสาริบุตรพอถึงเวลาก็จะลาพระเจ้าไปจาริกพระกรมสรงกันเยอะมากพระที่มาส่งนั้นบางคนก็มีชื่อมีโคดมีชื่อเสียงมีชื่อ ม, มีชื่อเรียกไงพระสาวิบุตรก็ไปทักทายพระเหล่านี้ทักทายไปเรื่อยสิริมีรามีพระองค์หนึ่งมีชื่อมากัน ก็ยืนก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวพระสารีบุตรจะต้องมาทักทายเราแต่เนื่องจากพระมันเยอะอะพระสารีบุตรทักทายจนพอแล้วพอทักทายเสร็จเออกลับไปเถอะไม่ต้องมาส่งกลับไปเถอะไม่ต้องมาส่งกลับไปเถอะไม่ต้องมาส่งแล้วก็เดินกลับมาแบบชุบตาเจอกับแฟนกลับอย่างนั้นอ่ะแบบปลุกปลุกทุบตาเจอกับแฟนกลับอ่ะมันจะไปทักทุกคนได้ยังไงใช่ไหม พระสารีบุตรก็ทักทักทักเธอก็ไปเถอะไอ้พระองค์เนี้ยจะตั้งใจว่าเดี๋ยวพระสารีบุตรจะต้องออกชื่อเราแน่จะต้องมาทักกับเราแน่ยืนยิ้มแต่พระสารีบุตรก็ไม่ได้ทักพอไม่ได้ทักก็ผูกใจเจ็บไว้ก่อนเริ่มต้นหทําพอได้เนี้ยเริ่มแล้วเริ่มเลยเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาก็จะเกิดปฏิฆหุดหิดขึ้นมาทันที จากนั้นพระสารีบุตรเดินมาพอพระสารีบุตรเดินมามันเยอะพระมันเยอะแกยก็ยังกดใจส่งยิ้มไปให้แต่พระสารีบุตรไม่ได้หันมามองเดินผ่านแกไปกําลังยิ้มยิ้มอยู่ยิ้มก็หุบเลยพระเอินว่าไอ้ชายผ้าสังกติของพระสารีบุตรเฉียวไปโดนแกหน่อยหนึ่งเก็ถือเหตุผูกอาคาตเลยนอกจากไม่หันมาทักกลับเราแล้วยังทํามาดูหมิ่นดูแคลน เออแซงทำให้พ้าสังกติชายพ้าดสังกติมาพาดใส่เราอีกแม้มันดูถูกก็นี่เครียดแค้นพยาบาทพระสารีบุตรนั่นนะดูดิในในในชีวิตโลกเ ร, เรื่องแบบนี้ใกล้ๆอย่างเงี้ยมีเยอะนะ มีเยอะโอ้ยตั้งใจไปบางคนตั้งใจไปดูคอนเสิร์ตอพอไปถึงเสร็จได้นั่งแถวหน้าซื้อพวงมาเลยเอาไปส่งให้นักร้องมันไม่เห็นทันทีเลิกไปเลย mm hmm. คือเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาก็จะทุกคนไปทำบุญที่วัดพระไม่ได้ชมเลิกถวายเลย mm hmm. อ๋อจริงนะมีไหม mm hmm. มีนะ ก็ไ ป, ไปวัดไหนเต่าพระฉลาดเดี๋ยวเนี้อ้าจริงๆโอ้โหต้องเตรียมบทไอ้พอนไว้ชมยังเดียวแต่อยากให้โอ้ยชอบเห็นหน้าแล้วโอ้ยดีอกดีใจรู้สึกว่าเป็นบุญเหลือเกินมันตั้งไว้ก่อนลวกหน้าแล้วทั้งนั้นในใจเราเนี่ยมันตั้งไว้ไง มันตั้งไว้เพราะฉะนั้นอปยาปันนาเจตาโซยมเอาไปเก็บแล้วพิจารณาดูไว้ดีดูชีวิตไอด้ดีแต่เรารู้สึกว่าใครมันยุ่งยากกับชีวิตของเราเหลือเกินเนี่ยให้ดูไว้ดีแท้ที่จริงเรานั่นแหละเรานั่นแหละเราทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าว่า มัโดบูบางกมาธรรมามัโดเศรามัโดมายาเคยได้ยินใช่ไหมพวกปริยาดาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จด้วยใจก็อย่างเงี้มันอยู่ที่เราทั้งนั้นอ่ะ เ, ออเพราะฉะนั้นท่านถนึงให้เราจะเริญนภาวนาจบสุดท้ายวันนี้เพราะว่าวันนี้จะฉันเพลจบสุดท้ายวันนี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าสมาทิงภิกขเวภาเวทะ เธอจงจะเริญนสมาธิเธอสมาหิโตภิกเเวภิกขุยะถาภูตังปชานาติเพราะเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะทำให้รู้เห็นตามความเป็นจริงกินจะยะถาภูตังประชานาติอะไรคือรู้เห็นตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าสรุปว่ารูปัสสะสมุทัยัญจะ เวทนายะสมุทยัญจะอถังคมัญจะสร้างข้าสัญญายะสมุทยัญจะอัถังคมัญจะสร้างข้ารานังสมุทยัญจะอัถังคมัญจะบิณญาณสสะสมุทยัญจะอถังคมัญจะการรู้ตามความเป็นจริงก็คือรู้การเกิดขึ้นและการดับไปนั่นน่ะรู้การรู้รู้ว่ารูปเกิดขึ้นและดับไป รู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นและดับไปรู้ว่าสัญญาเกิดขึ้นและดับไปรู้ว่าสังขารเกิดขึ้นและดับไปรู้ว่าวิญญาณเกิดขึ้นและดับไปรู้ว่าขันห้าเนี่ยมันแค่เกิดขึ้นและก็ดับไปนี่คือความจริงสุดท้ายนั้นจะได้ด้วยการทำสมาธิพระเจ้าบอกสมาธิพิโกยพาวิตะพวกเธอจงจะเดินสมาธิกันเถอะ เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวหลังเที่ยงเราก็จะเริ่มวันนี้เข้ามาไม่ต้องเดินเนยนะนั่งสมาธิเลยภาคบ่ายนี้จะปฏิบัติยาไปหน่อยวันนี้เช้าเขาได้ปฏิบัติกันเองแล้วแล้วก็ที่พูดวันนี้ไม่ได้เราพูดสวัสดีปีใหม่หเฉยๆนะโยม พูดสวัสดีปีใหม่โอ้ปีนึงนะก่อจะได้พูดอย่างนี้ทิงเราก็พูดสวัสดีปีใหม่กันนะอแต่ว่าพระจะไปสวัสดีปีใหม่กับโยมก่จะร้องเพลงแง่ปี้นิ้วเยียวก็ไม่ได้ <c oughs> เราก็ต้องสวัสดีปีใหม่กันอย่างนี้แหละฟังแล้ก็ได้ประโยชน์อืมนําไปใช้ได้สําหรับเช้านี้ก็พอสมควรกับเวลา